ธรรมที่มีอุปการะมากตอนนี้พี่มีอุปการะมากนี้ท่านก็ว่ามีแค่2องนะคือสติแล้วก็สัพพัญญะสตินี่ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแต่คนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของสติมากเท่าไหร่หรือว่าไม่คิดว่าสตินี่จะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะต่อตอนเองอย่างไรเพราะคิดว่าสติมันก็ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่มาตั้งแต่เกิดเออบางคนก็คิดว่าสติมันก็เพียงแค่ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้เป็นคนได้เท่านั้นอย่างเช่นคนที่หมดสติหรือขาดสติเนี่ยก็คือคนที่อาจจะสลบ หรือว่าเป็นลมแล้วคิดว่าเนี่ยเออคนที่มีสตินะหรือว่าไม่หมดสติเนี่ยนะมันก็ก็คือคนทั่วไปแล้วก็เลยคิดว่าสติมันก็มีคุณค่าเท่านี้แหละตาบใดที่เรามีสติเราก็รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าความสามารถอย่างอื่นนั้นเนี่ยมัน ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของสติเพียงแค่ฉันไม่สลบไม่สไลดนะหรือว่าไม่เมือนเมาแค่นี้ก็ถือว่าฉันมีสติแล้วจริงๆเนี่ยสติมันให้อะไรกับเรามากกว่านั้นนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัว ในความหมายที่ว่าไม่สลบสลยัยนะหรือว่าไม่สลึมสลือไม่ละมมอนะคุณค่าสติเนี่ยนะมากกว่านั้นเยอะแต่พอเราเห็นสตินะว่ามีคุณค่าเพียงเท่านี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะมีความเจริญเราก็ต้องหาสิ่งอื่นมาเพิ่มเติมแต่จริงเนี่ยที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่พื้นฐานนะของสติแต่ว่าจริงๆแล้วสติทํอะไรหรือให้อะไรกับเราได้มากกว่านั้น ที่จริงเนี่ยเวลาเราการที่เราใช้ชีวิตประจำวันได้เนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนเข้านอนเนี่ยเราได้อาศัยสติมากทีเดียวเลยนะไม่ใช่แค่ว่าสติมันช่วยให้เราไม่สลบสไลด์ไม่ไม่เป็นบ้าหรือว่าไม่วิกลจริตหรือเราพูดงาคือไม่เพียงแค่มันทำให้เราเป็นผู้เป็นคน ได้เท่านั้นนะแต่แมงสามารถทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขด้วยภาวานาที่อยงหนึ่งของสติคือความระลึกได้ระลึกได้เราทํางานทําการอะไรเรากำลังใส่ความระลึกได้จดจําสิ่งต่างๆแค่จะไปทํางาน หรือว่าทำกับข้าวหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนตั้งแต่ใกล้ตัวที่สุดคือคนในบ้านลูกคนรักพ่อแม่เนี่ยก็ต้องใช้สตินะความระลึกได้ระลึกได้ว่าเขาทำอะไรเขาเป็นใครถ้าขาดสติเมื่อไรเนี่ย คือจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอันนี้ก็แย่แล้วนะคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมนี่เขาอันนี้แล้วว่าสติเขาเนี่ยพร่องแล้วพอเร า, าเห็นคนที่ความจำเสื่อมมากๆเนี่ยเราก็จะตระหนักเลยนะว่าสตินี่มันสำคัญ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่วิกฤติเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นบ้าถึงแม้เขาจะไม่สลบสไลด์แต่ถ้าเขาสติพร่องนะมันก็ใช้ชีวิตลําบากยิ่งคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ดยแลนี่เขาเรียกว่าที่เราเป็นผู้เป็นค น, นก็คงไม่ได้นะเพราะเขาจําตัวเองไม่ได้เลยได้ซ้ํา เรื่องราวในด่ดีไม่ใช่ของคนอื่นเดียวเรื่องราวในด่ดีของตัวเองก็จำไม่ได้จำใครต่อใครไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นภาระให้กับผู้อื่นไม่สามารถที่จะดํานินชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่พอเ ร, า, ลลเ า, เร า, าระลึกได้เนี่ยถ้าเรามีความลึกได้เนี่ยเราก็สามารถจะใช้ชีวิต ได้อย่างราบรื่นเป็นปกติสุขได้ไมวรวมทั้งการทำหน้าที่ต่อคนรอบข้างเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานคู่ครองคนรักหรือมิสหายเพื่อนฝูงรวมทั้งการทำงานทำการเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาเอามาใช้ในการทำงาน ม่จะเป็นความรู้พื้นฐานความรู้ขั้นสูงเรียนรู้มาแล้วจะมาใช้ได้เนี่ยต้องอาศัยสตินะไปดึงเอาความรู้นั้นออกมาแต่ถ้าไม่พอนะนอกจากความระลึกได้แล้วเนี่ยสติยันช่วยทำให้เราสามารถจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ต่อเนื่องหน้าที่ของสติอันหนึ่งคือหน้าที่ กำกับจิตเอาไว้กับอารมณ์อารมณ์ในที่หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในหัวเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าจิตใจเราเนี่ยมันไม่ไม่อยู่กับสิ่งนั้นนะฟังคำบรรยายแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเสียงที่ได้ยินอันนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่ได้ประโยชนนะ์จากการมานั่งอยู่ที่นี่ อาการที่เราจะฟังรู้เรื่องได้เนี่ยนะต้องอาศัยสติเนี่ยเพื่อกำกับจิตให้มาอยู่กับเสียงให้มารับรู้ให้เรามารับรู้เสียงแล้วก็เข้าใจนะสิ่งที่ได้ยินหน้าที่กำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์ให้อยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความคิดที่เราทำอารมณ์เนี่ยเป็นงานอีกงานหนึ่งของสติเลย รวมถึงการที่เหนียวอารมณ์มาอยู่กับจิตอารมณ์ในที่นี้อาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารความทรงจำความรู้ที่ได้ยินได้ร่ำเรียนมาไปดึงมันออกมาจากหัวสมองมาสู่การรับรู้ของจิตอันนี้ที่เราเรียกว่าเราลึกได้นะเราลึกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาเราลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ผ่านพ้นไปเราลึกได้ว่าเขาพูดอะไรเมื่อวาน หรือเราถึงการกระทําและคําพูดของคนรอบข้างได้อันนี้ก็ต้องอาศัยการดึงข้อมูลข่าวสารหรือเราเรียกว่าอารมณ์เนี่ยในความหมายที่กว้างเนี่ยมาสู่การรับรู้ของจิตอันนี้ว่าเหนี่ยวอารมณ์หรือดึงอารมณ์มาสู่การรับรู้ของจิตหรือเวลาเราทํางานทําการอ่านหนังสือฟังคําบรรยายเราก็ต้องอาศัยการกํากับจิตให้อยู่กับ เสียงที่ได้ยินหรือว่าตัวอักษรที่อ่านอันนี้เป็นงานงสตินะเราเรียกว่าเป็นงานกำกับจิตให้อยู่กับรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสหลวอน้องทำอารมณ์แต่ว่ามันก็มีลักษณะพิเศษนะโดยเพราะถ้าเป็นสัมมาสติเนี่ย มันจะเป็นตัวทำให้จิตเนี่ยมารับรู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะกำลังทำอะไรอยู่กำลังฟังคำบรรยายกกำลังอ่านหนังสือนะเสียงที่ได้ยินข้อมูลที่กาลังอ่านนี่เราก็ถือเป็นอารมณ์ในปัจจุบันนะสติก็ทำมาที่กับกำกัดจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้น ซึ่งถ้ากำกับได้นานๆก็เกิดเป็นสมาธิแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็วอกแวกไปฟังคำบรญญายก็ไม่รู้เรื่องเพราะจิตเนี่ยมันลอยไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือไปไหลเลื่อนอยู่กับเรื่องรอยในอนาคตอ่านหนังสือนั้งหาก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะใจมันลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับ ข้อความที่อ่านไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือในโทรศัพท์นั้นก็จะทำอะไรก็ทำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นร่างจานทำกับข้าวหรือแม้แต่าอาบน้ำถูฟันบางทีใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อนุ่งกางเกงสชใจไม่อยู่กับสิ่งที่กำลังทำนะ คือใจลอยบางทีก็ลืมรูดซิปนะลืมรูดซิปเพราะอะไรนะเพราะใจเนะี่ยมันไปอยู่กับเรื่องที่เป็นอดีตบางเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อวานหรือว่านึกถึงกำหนดนัดหมายที่จะทำในตอนเช้าในตอนสายใจไม่ได้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัว ก็เลยลืมรูดซินะอันนี้เรียกว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการกระทําที่เป็นปัจจุบันและการกระทําที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ถ้าทาไปมันก็ทาให้เกิดสมาธินะท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าวัวเนี่ยนะถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะเดินไปโน่นเดินไปนี่ ถ้าจะถ้าอยากจะให้วัวมันอยู่นิ่งๆ น, นะแล้วก็ผูกมันเอาวไว้กับเสามันก็จะเดินวนรอบๆเสาไปไหนไกลไม่ได้มันเดินวนไปสักพักมันก็จะเริ่มหยุดนะแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วจะนั่งหรือนอนอยู่งั้นแหละวัวนี่ทั้งก็เปลี่ยนมันจิตนะส่วนเชื่อกนี่ก็เปลี่ยนมันสติ ส่วนเสาหรือหลังเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับสิ่งที่จิตจดจ่อหรือรับรู้หรือกาลังทำงานอยู่ที่เราเรียกว่าอารมณ์ะจะเป็นงานที่กาลังทำจะเป็นเสียงที่กาลังได้ยินจะเป็นข้อความที่กาลังอ่านอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับเสาหรือหลักซึ่งจิตเนี่ยมันจะ อยู่ตรงนั้นได้นเนี่ยเพราะว่ามีมีสติมากากับเหมือนเชือกที่ผูกวัวเอาไว้ให้อยู่กับหลักความหมายของสติในแง่นี่คือเป็นตัวกากับนะกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์แล้วก็เป็นอารมณ์ในปัจจุบันนะไม่ใช่ไหลลอยไปกับอดีต แต่ว่าการคิดถึงเรื่องราวในอดีตเนี่ยถ้าคิดแบบตั้งใจมันก็ได้เหมือนกันนะเช่นเรานึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปในรอบปีแล้วเราก็อยากจะใครครวรว่าในปีที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรที่สาเร็จบ้างทําอะไรที่บกพร่องหรือว่าไม่สาเร็จที่ควรแก้ไขบ้างมีการประเมินชีวิตที่ผ่านมาอันนี้เป็นการ คิดเรื่องราวคิดถึงเรื่องราวในอดีด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาชียจใคร้ครวนอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันนะเป็นปัจจุบันหรือเราวางแผนว่าจะทำอะไรในช่วงเดือนหน้าสองเดือนหน้าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเราคิดถึงมันอย่างตั้งใจมันก็เป็นถือว่าเป็นปัจจุบัน และการที่เราจะคิดใคร่ครวนยังเป็นเรื่องเป็นราวได้นะก็ต้องใส่สติเพราะไม่มีสติมันก็คิดวกแวกคิดวกวนจับจดนะคนที่จิตวกแวกวกวนจับจดเนี่ยเป็นเพราะสติเขาอ่อนอันนี้ลักษณะ ส, สติเนี่ยนะนอกจากมันมาช่วยกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันแล้วเนี่ย สิ่งสำคัญคือว่ามันเป็นการรับรู้ด้วยความตั้งใจนะถ้ารับรู้ด้วยความไม่ตั้งใจนีก็ไม่เกี่ยวกับสตินะอย่างเช่นกำลังฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะอยู่ๆมีเสียงหมาเห่านะจิตมันก็แว บ, บไปจดจ่อยที่เสียงหมาเห่าโดยไม่ตั้งใจหรือบางทีเราก็เรียกวาโดยไม่รู้ตัว อาการอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นงานของสตินะมันต้องเกิดจากความตั้งใจถ้าไปสนใจไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ไ ม, ไม่ทันตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยอันนั้นไม่ใช่สติซึ่งเราก็อาจจะประสบบ่อยๆนะเดินจงกรมสร้างจังหวะแล้วเดี๋ยวมันก็แทนที่จะรับรู้อยู่กับการเคลื่อนของกาย นะแทนที่จะรู้สึกตัวขณะที่ขยับมือหรือว่าขยับเท้าหรือขณะที่กำลังเดินใจมันไปจดจอออยู่กับเรื่องราวในอดีตอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เพิ่งผ่านไปบางทีบางเรื่องไม่อยากคิดนะมันก็เผลอคิดอาการเผลอเนี่ยก็คือไม่มีสติแล้วเผลอคิดนะ หรือเผลอไปฟังโดยไม่ตั้งใจนี่ก็ไม่ใช่สติสติเนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นเครื่องกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันด้วยความตั้งใจนะถ้าไปรับรู้โดยไม่ตั้งใจที่แล้วแล้วเผลอก็คือไม่สติและพอรับรู้แล้วเนี่ยนะนอกจากเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ย มันยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นสัมมาสตินะก็คื อ, คอมันจะรับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วหรือว่าไม่เกิดความยินดียินร้ายอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่า น, นเรียกว่าเนี่ยให้มันเกิดอาการที่ว่ารู้ซื่อเนี่ยถ้ายินดียินร้ายนี่ไม่ใช่นะเช่นมีเสียงเ่านะ มากระทบหูขณะที่กําลังฟังคําบรรยายใจก็ไปอยู่ที่เสียงนั้นเสียงมาเห่าแล้วเกิดความไม่พอใจขึ้นมาหรือบางทีเสียงก็ยังเกิดขึ้นในศาลาเนี่ยเป็นเสียงโทรศัพท์มือถือเสียงริงโทนจิตมันขณะที่กําลังฟังคําบรรยายอยู่ก็หันไปจดจอ่ออยู่ที่เสียงโทรศัพท์เสียงริงโทนโดยไม่ตั้งใจแล้ว เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอาการของสตินะไม่ใช่เป็นอาการของสัมมาสติเลยนะเพราะหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจถึงแม้มันเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะมันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เรารับรู้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเผลอไปแล้วก็มีการปรุงแต่งมีการตัดสินมีการให้ค่าจนเกิดความไม่พอใจเกิดความยินลายขึ้นมา อันนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นสติเนี่ยนะมันมสติมันรับรู้ด้วยความตั้งใจนะในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งไม่เกิดความยินดีร้ายแคนะ่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ใยใจที่เป็นกลางแต่นอกจากการที่สติจะทำหน้าที่เลิกได้จะช่วยกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยไม่เกิดความยินดีร้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สมาสติมันจะช่วยเราได้นะอีประการหนึ่งนะก็คือการที่ทำให้เราเห็นนะเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเห็นสิ่งที่เป็นกิเลสโลภะโทสะที่เกิดขึ้นด้วยตรงนี้มันเป็นความพิเศษของสติเลยนะ แล้วก็เป็นความพิเศษของสมาสติก็ว่าได้ถ้าไม่เห็นตรงนี้นี่มันก็ยังไม่เรียกว่าสมาสติได้ครบถ้วนนะนการที่คนเราจะมีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดสมาธิเนี่ยเรายังไม่เรียกว่ากระทําด้วยอาการของสมมาสติเพราะว่าอาการแบบนี้เนี่ยนะ โจรผู้ร้ายมันก็มีนะนักย่องเบาที่เปิดเซฟนะเขาก็มีสตินะในการที่จะกํากับจิตให้อยู่ออกับการเปิดเซฟนะอาศัยความระลึกได้ว่ า, าเซฟนี่มันต้องหมุนซ้ายไปกี่กี่จังหวะหมุนขวาไปกี่จังหวะ อาศัยตั้งความระลึกได้อาศัย้องกายกำกับจิตให้อยู่กับงานที่ทำโดยที่จิตไม่วอกแวกมือปืนเนี่ยนะที่คอยซุ่มยิงคนเนี่ยอาจจะเพราะถูกว่าจ้างมาหรือเพราะเป็นศัตรูคู่ปรปักคนเหล่านี้เขาก็มีสตินะเขาใช้สติเป็นเงินนะเพราะว่า ถ้าม่มีสติเนี่ยใจวอกแวกเนี่ยมันก็ทำงานไม่สำเร็จสติมาช่วยกำกับจิตให้อยู่กับเป้าหมายนะที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องจดจ่อนะอย่างมีสมาธิสมาธิที่ว่านี้ก็เกิดจากสตินะมันเป็นตัวกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์หรืออยู่กับเป้าหมายนะที่มุ่งหมาย แต่มันยังไม่เรีเป็นสัมมาสตินะมันเป็นแค่สติธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นสัมมาสติเนี่ยมันจะต้องทำให้เห็นนะเห็นอารมณ์หรือความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยเพราะตัวตัวกิเลสเนี่ยเช่นโจนเนี่ยที่กำลังเปิดตู้เซลเนี่ยก็ทำด้วยโลภะทำดึกความโลภเนี่ยถ้าเปิดเซโดยที่ไม่ ไม่มีสติเห็นความโลภที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าถ้าออาปืนนะจ่อเพื่อที่จะมุ่งทำ้ายใครแม้ว่าใจเนี่ยนะจะมีสมาธิอยู่กับเป้าที่อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าหาว่าไม่มีสติเห็นความโกรธนะเห็นพยาบาทที่เกิดขึ้นเห็นความเครแค้นที่เกิดขึ้นในใจ อันนี้มันก็ไม่ใช่สัมมาสตินะมันเป็นสติธรรมดาแลนอง่ายนี้เนี่ยคนพูดร้ายนะมือปืนนักย่องเบา ก, ก็มีสตินะแต่ว่านั่นไม่ใช่สัมมาสตินสัมมาสติมันจะทำให้เราเห็นความโลภความหลงที่เกิดขึ้นที่มัน หรือตัวกิเลสนะที่มันอยู่เบื้องหลังการกระท่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยอมให้กิเลสเหล่านั้นมาครอบงาจิตจนกระทั่งทำชั่วได้ไม่ว่าจะเป็นลักขโมยไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายใครผู้อย่างนั้นคือว่าถ้าคนที่มีสติในระดับที่เป็นสัมมาสติเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะไม่ทำชั่วนะ ในแง่นึงก็นอกจากจะเห็นความโกรธหรือความโลภที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังลึกได้นะถึงคำสอนหรือธรรมะให้เป็นคำสอนคููบาจารย์หรือธรรมะของผู้เจ้าก็ได้พอลึกได้เนี่ยมันก็ไม่กล้าทำชั่วเพราะรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันไม่ถูกต้อง นันคนที่เป็นสัมมาสติเนี่ยก็จะไม่ไม่ทำชั่วนะเขาจะได้ยินเสียงเตือนหรือว่าเขาจะรับรู้เสียงเตือนจากครูบาอาจารย์หรือจากพระพุทธเจ้าและนอกจากได้รับรู้เสียงเตือนแล้วเนี่ยหรือว่าได้ระลึกถึงคาสอนหรือว่าพระธรรมเนี่ยแล้วเนี่ยก็ จ, จะสัตมาสติยังช่วยทำให้เห็น ความจริงของกายและใจเดือนะเวลาเราทำการทางานอย่างมีสติโดยเป็นสติระดับสัมมาสติเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีผูก้กระทํามนะมันมีแต่การกระทํามันมีแต่กายกับใจมีแต่รูป ก, กับนามเมื่อเดินยังมีสตินะมันก็ก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่เดินนะ ไม่ใช่เราเดิน เ, เมื่อมีความคิดหรือความโกรธขึ้นมันก็เห็นว่าเออมันเป็นความคิดหรือความโกรธที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราโกรธแล้วมันจะเห็นความจริงของกายและใจหรือเห็นความจรงิงเห็นกายและใจตามที่เป็นจรงิงซึ่งก็เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนกันนะที่ให้เราเนี่ยเห็นกายและใจตามที่เป็นจรงิง แล้วถ้าเห็นกายและใจตามที่เป็นจริงก็จะเห็นลึกไปถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือว่าไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจหรือที่แสดงตัวอยู่กับกายและใจอันนี้คือสัจธรรมนะซึ่งเราสามารถจะรับรู้หรือเห็นได้ด้วยสัมมาสติ เรื่ที่ท่านอาจารย์ท่านหลวงพ่อชานั้นพูดเนี่ยว่าผู้ที่มีสติทุกเมื่อเนี่ยผู้ใดมีสติทุกเวลาผู้นั้นยอมได้ฟังธรรมของผู้เจ้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน่นเป็นความจริงนะถ้าเรามีสติในรที่เป็นสมัสสติเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ไม่เผลอทาชั่ว แม้จะมีโลภะโทสะเกิดขึ้นก็มีความระลึกได้ถึงพระธรรมคำสอนที่ท่านเตือนสติเอาไว้หรือว่ายิ่งกว่านั้นคือได้เห็นความจริงของกายและใจนะการที่เห็นความจริงของกายและใจเนี่ยก็เหมือนกับว่านะกำลังเห็นธรรมะกำลังได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้านะไม่ใช่ระดับจริยธรรมนะแต่เป็นระดับสัจธรรมเลยัยถ้าเข้าใจ นะการทํางานของส ม, มาสติหรือคุณสมบัติของส ม, มาสติเราจะพบว่ามันมีความสําคัญนะต่อชีวิตของเรามากทีเดียวเพียงแค่ไม่สลบสไหลไม่ละเมออันนั้นยังไม่พออันนี้นไม่ใช่เป็นเพราะอนุภาพของสติแต่ถ้าว่าเราสามารถที่จะดํำรงชีวิตอย่างสงบเย็นนะไม่ถูกกิเลสครอบงํา อีกทั้งอย่างดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นว่ามีตัวกูของกูไม่ยึดนะในความสำคัญมากหมายว่าตัวกูโอ้มันก็ทำให้ชีวิตปลอดโปรง่ปรงเบานะสงบเย็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าเนี่ยสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยมันจึงเป็นคำที่ มีความหมายตามตัว อ, อักษรเลยทีเดียวนะไม่ใช่เป็นแค่การพูดเพื่อที่ชนิดที่เป็นการให้ความสำคัญเกิดเลยนะของสติแต่จริงๆแล้วเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจริงๆ